เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีปอบเมืองสุรินทร์เรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่คุณอ้ําได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองโดยคุณอ้ําได้เล่าว่าเราเป็นคนจังหวัดสุรินทร์อยู่แถบอำเภอสัโรงทา่าเรื่องเพิ่งจะผ่านมาได้ไม่นานนี้เอง คือคนเฒ่าคนแก่ที่หมู่บ้านของเรานั้นเขาบอกกันว่าในหมู่บ้านเราจะมีวิญญาณร้ายหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผีปอบแต่เราก็ไม่เคยเจอไม่เคยสนใจด้วยจนกระทั่งเราตั้งท้องเรื่องมันก็มาเกิดหลังจากเราคลอดลูกได้เกือบเดือนที่บ้านของเราจะมีสองหลังติดกัน เป็นบ้านสองชั้นกับบ้านน็อกดาวหลังเล็กเราก็พาลูกเป็นนั่งเล่นที่บ้านเล็กเพราะลมมันพัดเย็นดีระหว่างนั้นก็มีชาวบ้านรวมถึงยายแก่คนหนึ่งมาเยี่ยมเรากับลูกที่บ้านซึ่งก็เป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละค่ะแต่พอแม่ของเราเห็นก็บอกเราว่าเขาลือกันว่ายายคนนี้ละ่ะเป็นปอบ แต่ก่อนที่ยายเขาจะมานั้นแม่ของเราได้ไปเอาว่านไพรที่เขาว่ากันผีได้มาใส่ไว้ใต้ที่นอนของลูกเรายายคนนั้นก็ดูจะไม่กล้าเข้ามาใกล้เขายืนข้างนอกแทนทั้งทั้งที่ชาวบ้านทุกคนก็เข้ามาข้างในหมดแล้วพอก่อนยายเขาจะกลับเราเห็นเขาจ้องดูที่ลูกของเราตาแข็ง จ้องแบบไม่กระพริบตาพอตกเย็นลูกเราร้องไห้ไม่หยุดวันนั้นแฟนเราออกไปกินเหล้ากับเพื่อนโทรหาก็ไม่รับสายจนถึงดึกประมาณห้าทุ่มน่าจะได้ลูกของเราก็ร้องไห้ไม่หยุดเราเลยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตามแฟนที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งห่างกันประมาณ10กิโลเมตรพอเราขี่รถออกจากหมู่บ้าน ไปได้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรตอนดึกทางมันก็ค่อนข้างเปลี่ยวเราก็มองที่กระจกหลังว่าจะมีรถขับมาไหมเพราะมันมืดมากแล้วเราก็กลัวด้วยแต่แล้วสิ่งที่เราเห็นกลับไม่ใช่รถมันเป็นเหมือนอะไรตะคุ่มตะคุมตามมาไกลๆเรามองเห็นเป็นแค่เงาดำๆพอละสายตาแล้วกลับไปมองอีกครั้ง คราวนี้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นยายแก่คนนั้นดวงตาแดงก่ำสีเหมือนเลือดกำลังวิ่งมาที่รถเราอย่างเร็วเราตกใจมากไม่เคยเจออะไรน่ากลัวแบบนี้มาก่อนตอนนั้นเราบิดแบบไม่คิดชีวิตคืนนั้นทำเอาเราไม่กล้ากลับบ้านเลยแต่ใจก็เป็นห่วงลูกเลยให้หลานของแฟนขับรถมาส่ง พอกลับมาถึงบ้านคืนนั้นเรานอนไม่หลับแถมยังได้ยินเสียงเรียกของคนแก่ดังแว่วมาจากทางหน้าบ้านเสียงนั้นบอกว่าลงมาหากูน่อยกูขึ้นไปเอามึงไม่ได้ซึ่งแม่ของเราก็ได้ยินเสียงนั้นแม่เราโมโหเลยเอาสายสินพันกับมีดเล่มใหญ่ถือลงไปแต่ปรากฏว่า ไม่มีใครแม่เราก็เลยรีบกลับขึ้นมาบนบ้านแต่ก็มีเสียงตะโกนตามหลังมาว่ากูหิวกูอยากกินเรากับแม่ต้องสวดมนต์กันยกใหญ่แทบไม่ได้นอนกันเลยในคืนนั้นพอเช้ามาเราก็ไปเล่าให้ป้าข้างบ้านฟังป้าก็เลยบอกว่าปอบมันคงอยากกินเด็กอ่อนพวกนี้ ถ้ามีเด็กเพิ่งคลอดมันจะได้กลิ่นโดยที่ไม่ต้องมีใครไปบอกมันจะไปหาเองตั้งแต่นั้นมาเราเลยต้องเอาว่านไพรผ้ายันพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายติดไว้เต็มบ้านซึ่งปัจจุบันยายเขาก็ยังคงมาวนเวียนอยู่หน้าบ้านเราเกือบทุกวันเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับ